ต่อมาได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งทั้งที่พวกเขาได้พบเห็นการจบชีวิตของประชาชาติในอดีตแต่พวกเขาก็ไม่ยึดถือเป็นบทเรียนเพื่อไข้ควรจนกระทั่งเมื่อการลงโทษได้มาถึงตัวอย่างกระทำนั้นพวกเขาก็ขู่ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ถือ ว, ว่ามันก็สายเกินไปเสียแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆเพื่อเตือนให้ระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้าง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 เว้นแต่ว่าพวกเขารับฟังมันและพวกเขาล้อเล่นไปด้วยละ هي و ب ه م وأسر ا ل ج ا ل ن ظلموا وأسر النج و ا ل ذ م و ه ه إلا بشر مثلكم أفتئتون السحرة ت م ت จิตใจของพวกเขาเลื่อนลอย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 พระผู้อภิบาลของฉันทรงรอบรู้ทุกคำพูดทั้งในชั้นฟ้าและผนินและพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อแต่ทว่าพวกเขากล่าวว่า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 ไม่มีชาวเมืองใดก่อนหน้าพวกเขาพวกบูชาจเจวิตบักกะซึ่งเราได้ทำลายมันในเมืองนั้นได้ศรัทธาแล้วพวกเขาพวกบูชาจเจวิตจะศรัทธาการะนั้นหรือวาออรลลสุ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 เช่นมาเลยรกาและพวกเขาไม่ได้เป็นผู้มีชีวิตยั่งยืนเป็นอม ต, ตมมะถ้าเราได้ทำสัญญาเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาและเราได้พวกเขารอดพ้น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 พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาคิดบ้างหรือและกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายหมู่บ้านที่อาถรรพ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 และเราไม่ได้สร้างฟ้าและแผนดินตลอดจนสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองอย่างไรประโยชน์เราอัปนอันัขิดหลือวัลัตขดนั้นิลุนาอินคุณนั่นาเราปราถนาที่จะเอาเป็นเคื่องเล่น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 และความหายณะก็จะประสบแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าเสกสรรปั้นแต่งต่ออัลลอฮฺและเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและผู้ที่อยู่หน้าที่พระองค์คือมะไลากะ พวกเขาจะไม่ลำพองตอนในการเคารพพักดีต่อพระองค์และพวกเขาจะไม่เบื่อหน่ายพวกเขาจะแท้สองสดุดีพระองค์ทั้งในเวลากลางคืนและกลางวันโดยไม่ขาดระยะอวกเขจะแองสะดุดีระองทั้งในเวลากลางคืนและกลางวันโดยไม่ขาดระยะ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 كم ق, ق, พวกเขาได้ยึดถือเอาบรรดาพระเจ้านอกจากพระองค์กระนั้นรึจงกล่าวเถิด ม, มูฮัมมัด ว่าขอให้พวกเจ้านําหลักฐานของพวกเจ้ามานี่คือคัมภีร์ที่อยู่กับฉันคืออันกุรอานและคัมภีร์ที่มีอยู่ก่อนหน้าฉันคือเตารอดและอินยินแต่ทว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริงพวกเขาจึงปิดหลังให้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 พวกเขาจะไม่ชิงกล่าวคำพูดก่อนพระงและพวกเขาจะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์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 อาวลัมิยรัเลดาีนักฟรุั้มสิ่งวารค์ลอโลกนี้เนรกษาศรีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เปมินสิ่งทีนสิ่นสิยงทนสิ่งทีปนสิเนสินสิ่งเป็นิ่งเนสิ่งทน่ทเห็นิเนส่นสิ่งที่เห็นหห่งนส้่งท่นสิ่ทเ็นิงที่เนส่นิงทีน่นสินินั้น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 ว่าแท้จริงฉันเพียงตักเตือนพวกเจ้าได้องค์การจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่คนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเรียกร้องเมื่อพวกเขาถูกตักเตือนวละลาอินมาสซะตุมนะฟะฮุมมินอะซาบร็อบบิกละยูกูลุนละยูกูลุนายาวัยลนาอินนาคุมนาซอลิี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 และแท้จริงเราได้ประทานคำภีเตารอดที่แยกระหว่างความจริงกับความเท็จให้แก่มูซาและฮารุและเป็นดวงประทีปและข้อตักเตือนสาหรับบรรดาผู้ยาเ ฟ, ฟ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 افا انتم له منكرون لا นี่คือข้อตัดเตือนที่จำเริญอัลกุราณซึ่งเราได้ประทานมันลงมาและพวกเจ้าจะยังปฏิเสธมันอีกหรือวะละกอดอะไตนาอิบรอฮีมรุชดะฮูมินกับลวะกุนนาบิฮีอาลีมิน <ين> และโดยแน่นอนเราได้ให้ความเฉลิยวฉลาดแก่อิบรอฮีม แต่ครั้งก่อนโดยที่เรารู้จักเขาดีขณะที่เขากล่าบิดาของเขาแะกลุ่มิฮขมาเาว่ฮิูปปั้นอะไรกันนี่ที่พวกเจ้าเฝาบชากันู่ขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่ารูปปั้นอะไรกันนี่ที่พวกเจ้าเฝ้าบูชากันอยู่กาาาาาาลลูวจดดนนนอออบบิี เขากล่าวว่าเราได้พบเห็นบนรรพบุรุษของเราเป็นผู้สการะบูชามันมาก่อนเขากล่าวาว่าโดยแน่นอนพวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้าอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง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 เขากล่าวว่าแต่ที่จริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าคือพระผู้อภิบาลแห่งบัรดาชันฟาลาพันธิซึ่งพระองค์ทรงดำมิตรมันและฉันเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้เป็นพยานในเรื่องนี้และขอสาบานต่อ a ลล a h แท้จริง ฉันจะวางแผนต่อต้านรูปปั้นทั้งหลายของพวกเจ้าหลังจากที่พวกเจ้าได้ผินหลังกลับออกไปดังนั้นเขาได้ทำให้มันพินาศเหลือไวเพียงรูปปั้นตัวใหญ่สำหรับพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะได้กลับไปสอบถามมัน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 เราได้ยินเด็กหนุ่มคนหนึ่งกล่าวตามหิรูปปั้นเหล่านี้เขามีชื่อว่าอิบรอฮีพูกเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงนำเขามาทำกลางสายตาของประชาชนหวังว่าเขาทั้งหลายจะได้เป็นพยานาล าาาาาพวกเขากล่าวว่าเจ้าเป็นผู้ธทำเช่นนี้กับพระเจ้าของเราครนั้นหรืออิบราฮิมเอ่ยพวกกล่าวว่า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 แล้วกล่าวขึ้นว่าแท้จริงพวกเจ้านั่นแหละเป็นผู้อธรรมทุมมนุกิสุอัลลรูอสิหิมแล้วดั่งรู้ว่าขาพาจรกขครั้นแล้วศีรษะของพวกเขาก็ก้มลงมาอยู่ในสภาพขอตกแล้วกล่าวว่าเจ้าอิบรหฮิมก็รู้ดีอยู่แล้วว่า รูปปั้นเหล่านั้นพูดไม่ได้กาละสะช่อบดูนมินดูนิลลาฮิมาลายันต่อคุมชัยอันวลายดรุคุมเขากล่าวว่าพวกเจ้าเขารับพักดีสิ่งอื่นนอกจากอัลล่ะที่มันไม่ให้คุณแก่พวกเจ้า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 ไฟเอ๋ยจงเย็นลงและความปลอดภัยแก่อิบราฮีมเถิดและพวกเขาปรารถนาที่จะวางแผนร้ายแก่เขา แต่เราได้ทำให้พวกเขาประสบกับความสูญเสียมากยิ่งกว่าและเราได้เขาอิบราฮีมและลูดรอดพ้นไปสู่แผ่นดินซึ่งเราได้มีความจำเริญในแผ่นดินนั้นแก่บรรดาชาติต่างๆ แลวเราได้บุรชื่ออิสหะแก่เขาและยะกูบหลานเป็นการเพิ่มพูนทั้งหมดนั้นเราได้เป็นคนดีมีคุณธรรมวละเราได้บุ ه ชื่ออิสหะยบริมนา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 แล้วบริจาคยากรและพวกเขาก็เป็นผู้เคารพพักดีต่อเราเท่านั้นและลูตนั้นเราให้เขาเป็นนบี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 และเราได้ความเฉลียวฉลาดและวิชาความรู้ที่หลักแหลมแก่แต่ละคนและเราได้ทำให้ภูเขาและนกแส้สองสะดูดีร่วมกับดาวูดและเราเป็นผู้กระทรรมสิ่งเหล่านี้ัละเราได้สอนเขาดาวูดให้รู้การทาเสื้อกลับสาหรับพวกเจ้า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 ใ น, นบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายฟัจนาฟักชฟนามาบีฮมินดบอนาฮอลฮวมิลหฮมมะ์มรัมตมินอินดนารัมตมินอินดนาวิราลลอาบดีดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียงของเขา และเราได้ปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากแก่เขาและเราก็ได้ให้ครอบครัวแก่เขาและเช่นเดียวกับที่เขาได้เคยมีมาก่อนเช่นบุรและพวกพองเป็นความเมตตาจากเราและเป็นข้อตักเตือนจากบรรดาผู้ารพักดีอย์เราจะระลึกถึงเรื่องราวของอิสมาอิลและอิดริสและ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 เราจะเริ่มลึกถึงเรื่องราวของซนูลนบียูนุส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 พัสตจัดนาละหูวันัจจัยนาหูมินัลรรมมิวะแฮริกะนุนจิลม ؤ มินีนดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนของเขาและเราได้ช่วยให้เขารอดพ้นจากความทุกระธมและเช่นเดียวกันนี้เราช่วยบรรดาผู้สถา เราจงดำลึกถึงเรื่องราวของ z กกริยาเมื่อเขาได้ร้องเรียนพระผู้อภิบาลของเขาว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอย่าปล่อยฉันอยู่อย่างเดียวดาย ف ا س ت ج د ن ا له ووهدنا له ي ح ي ا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا س ا ر ع و ن في الخيرات ويدعونا رغبوا ورهبا ويدعونا رغبوا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 าาดังนั้นผู้ใดประกอบความดีโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาสำหรับความอุศาวิริยะของพวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธและแท้จริงเราเป็นผู้บันทึกไว้แล้วสำหรับเขา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 เมื่อสัญญาแห่งความจริงได้ใกล้เข้ามาขณะนั้นเรื่องของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาคือสายตาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะจ้องเขงม่งแล้วกล่าวว่าโอ้ความหายนักของเราแน่นอนยิ่งเราอยู่ในความหลงลืมนี้ยิ่งกว่านั้นเรายังเป็นผู้อธรรมอีกด้วยออนดด น, นัา แท้จริงพวกเจ้าพวกบูชาเจเวตและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชาอื่นจากอาลัลลอ์ทั้งหมดนั้นเป็นเชื้อเพลิงของนรกโดยที่พวกเจ้าจะเข้าไปอยู่ในนั้น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 และมาลายกาจะพบพวกเขาแล้วกล่าวว่านี่คือวันของพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาวัน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 และแท้จริงนั้นเราได้บันทึกไว้ในคัมภีร์อัลกบูตหลังจากที่เราได้บันทึกไว้ในลุฮมาฟูดว่าแผ่นดินนั้นพวงบ่าวของเราที่ดีมีคุณธรรมจะเป็นผู้สืบมรดกมัน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 และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นความเมตตาแก่ประชาชนาทั้งหลายนนาอยยาอตจงกล่าวเถิดมอมัดว่าแท้จริงฉันได้รับองค์การมาให้ประกาศว่า